ตอนนี้เราได้สังเกต ด, ดูยุงข้างในเจาะแน่นอนแล้วใช่ไหมเราได้ที่นั่งภาวนาดียุงไม่เจาะยุงข้างนอกไม่เจาะแต่ยุงข้างในมันเจาะได้สังเกตเห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมเราจะแก้ไขยังไงทีนี้เราจะแก้ไขยังไงยุงข้างในเนี่ย เรก็หนดจดจอนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธกว่าจิตมันจะตล่อมเขามา้ามาความจะรว้เขาา้ามาความจะสงบเข้ามามันมีตัวอะไรเป็นตัวดึงเอาไว้เป็นตัวรั้งเอาไว้ไมาให้มันสงบตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละเป็นตัวยงุงตัวนั้นแหละเป็นตัวอุปสรรค มันคืออะไรดูให้ชัดเจนมันคืออะไระความนึกของเราความคิดของเราใช่หรือไม่คิดเรื่องโรคความคิดความนึก อ, อันเดียวกันนั่นแหละความคิดความปรุงอันเดียวกันนั่นแหละ ความคิดของเราเกิดขึ้นที่จิตของเราการตั้งใจปรารกความเพียรก็คือจิตของเราทำไมเราถึงเอามันไม่อยู่ถ้าหากสติเราไม่อ่อนจนเกินไปสติเราไม่จางจนเกินไปความอุตสาหพยายามของเรามันไม่จืดจางสิจนเกินไปถ้าเราตั้งใจทำเด็ดเดียว ตั้งสติแข่งกล้าเข้ามาสัมปชัญญะดำรงให้มั่นเข้ามาความประคับประคองกับอารมณ์ธรรมของเราให้แน่นหนามันคงเข้ามาอเราตั้งใจทำได้อย่างนี้มันก็ปิดกัน้นปิดช่องไม่ให้ยุงมันแอบมาเจาะได้ไม่ให้ไม่อุปสรรคมันแอบมานึกมาคิดมาปรุงได้ไม่ให้ตัว ที่มันเป็นอุปสรรคมันเล็ดรอดแทรกเข้ามาที่จิตของเราได้เมื่อมันแทรกจิตเขาเราของเราไม่ได้อารมณ์ที่เราพยายามดึงให้อยู่ก็อยู่ได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็อยู่ได้แต่ถ้าเราดึงเข้ามาไม่ได้เราปิดกั้นไม่ได้ยังเปิดรูเปิดช่องให้มันอยู่ความอุตสาห์พยายามของเราละลวมอยู่ ทำให้จิตของเรานี่เป็นรูเป็นช่องยุงมันเข้ามาตามช่องนี่แหละจุงไปนึกไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องวิตตบกังวลสารพัดกับจิตของเรากับกายของเรากับความหนาวกับความร้อนกับปัญหาสารพัดที่มันยังค้างคาอยู่ในหัวใจของเรามันทําให้ใจเราสงบไม่ได้ วันนี้เกิดแล้วเย็นนี้เกิดแล้วเช้านี้เกิดแล้วกลางวันเกิดแล้วต้นไหนก็แล้วตัวอุปสรรคแท้ๆคือตัวไหนคือตัวนี้ดูให้เห็นแล้วเราจะปรับปรุงยังไงทีนี้สร้างกำลังใจกับตัวเราเองฉันทะพอใจสร้างขึามาเอาละคราวนี้เวลานี้ระยะนี้เราจะตั้งใจภาวนาแล้วยังอื่นเราจะพาไปเกลี่ยไป จะสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในใจของตัวเราฉันทะพอใจเราสังเกตเห็นความพอใจความกระ่มยิ้มยัง่งความกระตือรือร้อนความพออกพอใจความสนอกสนใจความการให้ความสําคัญกับงานเหล่านี้กับงานนี้คิดถึงทางเดินยังครอมคิดถึงที่นั่งภาวนา คิดถึงอารมณ์ที่เราพยายามจะจับเข้ามาให้มันอยู่ให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันสงบมันคิดถึงสร้างความพอใจกับตัวเองนี่ถ้าเรียกว่าฉันทะฉันทะคุณเครื่องที่เอามาเสริมให้กําลังกับใจของเราสติก็ตะล่อมเข้ามาสัมผัสันยะก็ตะล่อมรวมเข้ามาความอดความทนระดมเข้ามาความพอใจพอใจที่จะ ที่จะทํำทํานิงานนี้สร้างงานนี้ให้กับใจของเราเราก็ตลอมเข้ามาแล้วก็สร้างเข้ามาดํำริเข้ามาประคองเข้ามาวิตุกพุทโธพุทโธพุโธพุโธวิจารณ์ประคองเข้ามาพุทโธลองเราดําริคําว่าพุทโธแล้วก็ดํารงประคองคํ้ามาพุทโธให้ต่อหนังดำริ แล้วก็ประคองดำริแล้วก็ประคองดำริแล้วก็ประคองนี่เป็นการสร้างสติให้แน่นหนาะมันคงให้สืบเนื่องให้ต่อเนื่องเพื่อจะได้ปิดกั้นปิดช่องปิดรูที่ยุงมันจะแทรกเข้ามานั่นน่ะยุงมันจะแทะเข้ามามาก่อกลวนรารมายุ่งเรานั่นนี่ตัวนี้ตัวอุปสรรคปิดให้ได้ปิดกั้นให้ได้ปิดช่องให้ได้ดํารงดำริให้ได้ ประคลองพุทโธให้ได้พุทโธพุทโธพุทโธ ร, รู้อยู่กับพุทโธนั่นแหละจิตมันจะค่อยค่อยรวมเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามามันไม่สงบหายเงียบทิ้งคำบริกรรมอยู่ก็ตามให้มันยังอยู่โรูอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวอย่างแท้จริงไม่ใช่มาบ้างไม่มาบ้างครึ่งกลางๆ ร่ำอยู่แต่กับคําว่าบริกรรมพุโทโธไม่ทิ้งคําบริกรรมอยู่กับคําบริกรรมมันยังไม่ถึงกับขั้นทิ้งคาบริกรรมแค่นี้กําลังใจข้างของเราก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความสงบก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปีติก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ววิตกวิจารปีติความสุข ก็าตามมาวิจตุวิจารณ์ประคองให้มันนิ่งอยู่กับพุทโธพุทโธนี่เอกขาตา่ก็เต็มตื้นเข้ามาเราจับหลักอยู่ได้แค่นี้เราก็อยู่ในขั้นที่ว่าเราสร้างเนื้อสร้างตัวขยับไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเอาให้ได้สักสิบวันทีเอาให้ได้สักยี่สิ ท, เสทีเอาให้ได้สักครึ่งชั่วโมง เ, เ, เอาให้ได้สักหนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ก็เรานั่งเพาวนาบาปเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าหรื อ, อเราจะอยู่ในขั้นวักเหยื่อกันพยายามดึงข้า ม, ามก็ไปพยายามดึงข้า ม, ามก็ไปไม่ปล่อยไม่ปล่อย ใ, ใจลองลอยไปตามมันแบบนี้ก็ยังอยู่ในขั้นพยายาม อ, อยู่ในขั้นพยายามสร้างความพอใจเข้าไป อันนี้มันเกิดขึ้นมามันจะมาตัดรอนกําลังใจของเราแล้วอะฮมันดื้อแล้วเกินมันเหนียวแน่นแล้วเกินมันดื้อรั้นแล้วเกินตะโกนไล่เข้ามันไปด่าโคตร ด, ด่าแท้มันดนตะโกนด่าในหัวใจของเราด่าความชั่วร้ายภายในใจของเรามันไม่มีอะไรมาทํำดอกความชั่วร้ายในใจของเราแหละมันทำตัวมุดมิตร ปิดหูปิดจิตปิดใจปิดสติปิดปัญญาของเราเนี่ยแม้จะดํารงคําว่าพุโทโธคําเดียวก็ดํารงไม่อยู่ีตัวนี้ตัวสําคัญตัวรายกาศเป็นอุปสรรคกับความสงบกับความสุขกับการปฏิบัติธรรมของเราชรั้นะขัดเกลาตรงนี้ให้มากเล่นกันอยู่ตรงนี้แหละขยับกันอยู่ตรงนี้แหละไปก็ดึงขึ้นมาไปขยับตามไปแล้วก็ดึงเขึ้ามาขยับตามไปแล้วก็ดึงข้นมาขยับตามไปแล้วก็ดึงข้นมา ฉันทะเมื่อเรามีฉันทะวิริยะมันก็มีความพาคความเพียรในขณะเดียวกันมีอุปสรรคขัดข้องมันก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอฉันทะวิริยะจิตตะความจดจ่ออะไรจดจ่อจิตมันจดจ่อในเมื่อเราสร้างความพอใจจิตมันก็จดจ่อดูไปให้เห็นไอ้ตัวจดจ่อนะมันจดมันจ่อมันจ้อง จ้องอยู่แต่กับคำอาพุธโธพุธโธมันจาะอยู่แต่กับคำอาพุธโธมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็แก้ไขนี่วิมังสาวิมังสาตัวนี้เป็นปัญญาเป็นตัวปัญญาปัญหามันเกิดขึ้นก็แก้ไขนึกเรื่องอะไรนึกถึงเรื่องโน้นเรื่องโน้นมันสําคัญยังไงอมันได้ยังไงมันดียังไงมันเสียยังไงอมันจําเป็นยังไงที่มันจะมาโปรดตอนนี้ตรงนี้ เดี๋ยวให้จบตอนนี้ก่อนกูจะดึงมึงมาวิจารณมาวิจัยมาแก้ไขให้ให้ได้ตอนนี้หยุดซะก่อนใช้ปัญญาพิจารณาแก้ไขเข้าไปวิมังสาฉันทะฉันทะมันจะเรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทคุณเครื่องให้สําเร็จคุณเครื่องให้สําเร็จเวลาเราทําการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความยากด้วยความลําบากเราก็ตั้งใจบุกบึนทำจนสําเร็จ เราพิจารณาย้อนหลังอมันเข้ากับธรรมะข้อนี้ไหมเข้ากับธรรมะข้อนี้แหละเออฉันทัพเออใช่าเว้ยวิริยะเออใช่าเว้ยจิตตะจดจอ่อช่าช่า ย, ายพิมังสาใครขวนพิจารณาแก้ไขเพราะงานทุกอย่างมีปัญหาการทํางานคือการคลี่คลายแก้ปัญหาคือการสัทางปัญหานี่ ต้องการทำให้เป็นอย่างนี้ ท, ท, ท้ใช้เรี่ยวแรงใช้สติใช้ปัญญาใช้อะไรทาเข้าไปนี่แก้ไขปัญหา ส, สางปัญหาทำให้ได้รับความสงบไปเราต่อสู้ได้ขั้นนี้ได้ระดับนี้มันก็เป็นการสร้างปัญญาให้กับตัวเราสร้างความสามารถให้กับตัวเราสร้างกรอบสร้างขอบ เขตสร้างหลักดําเนินสร้างข้อประพฤติสร้างข้อปฏิบัติให้กับตัวเรามันจะเริ่มเป็นสเสบียงรองพื้นรองก้นรองจริญรองนิสัยเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้กับจิตของเราขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆแวนมันสงบแนบแน่นมากขึ้นเพิ่มขึ้นเวลามสงบมันก็มีความสุขเราก็นึกถึงความสุขตอนนั้นตรงนั้นทําบ่อยครั้งเข้า กําหนดปุ๊บได้รับความสงบกําหนดปุ๊บก็ถึงความสุขกําหนดปุ๊บก็ถึงความสุ ข, นสขแนวอ่ อ, อนนิ่มโรครีมยิ้มย่องอยู่ในหัวใจของเราสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติมาสร้างคุณสมบัติให้กับจิตของเราสร้างพื้นเพ จ, จ์จิตนิสัยกับจิตของเราสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับ จ, จิตใจของเราอืเราเริ่มต้นไปจากนี้แหละฝึกฝนเข้าไปอบรมเข้าไปยืนเดินนั่งนอนทำริตอยู่อย่างนี้แหละจะเป็นอะไรก็ช่างจะเป็นสมถตาก็าช่างจะเป็นวิปัสสนาก็าช่างจะเป็นสุติปัฏฐานก็ช่างเป็นอะไรก็ช่างให้จะมันอยู่มโรค ก, กับตัวของตัวเองะเป็นอะไรก็ช่างเราน้อมไปใส่มันใช่ทั้งหมดนั่นแหละใช่ ฉันทะใช่วิริยะใช่กิตตะใช่วิมังสาทั้งหมดเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราสติก็คือตัวรู้รู้นั่นแหละอสติเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดสัมปชัญญะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดสันติความอดความทนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดระลึกดูกคุณธรรมเหล่านี้ในในใจของเราสติคืออะไรคือจิตมันตื่นโปรง่โรงโล่ง มันตื่นตัวอยู่ก็ค like ือผู้รู้จิตของเราคือผู้รู้เรารู้รู้อยู่เอาอะไรมารู้ก็เอาผู้รู้นี่แหละมารู้เวลาผู้รู้ที่มันตื่นตัวโผล่อยู่ตอนนั้นแหละขณะนี้ลงไปแล้วมันก็ขณะขณะใหม่ขึ้นมาขณะนี้ขณะนี้ดับลงไปขณะใหม่ก็โผล่ขึ้นมาขณะใหม่ก็โผล่ขึ้นมาขณะใหม่ก็โผล่ขึ้นมามันเกิดขึ้นที่จิต E. มันเกิดขึ้นในจิตเราจะว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็ใช่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิใช่เขาเรียกว่าขณะของจิตขณะของจิตมันเกิดขึ้นจางไปแล้วก็หายไปลเกิดขึ้นจางไปแล้วก็หายไปเกิดขึ้นจางไปแล้วก็หายไปเราพยายามประคับประคองประคับประคองให้จิตของเราตื่นอยู่อย่างนี้เลยเป็นสติตื่นโรออยู่ ลองดูย้อนดูไปที่จิตของเราจะเห็นย้อนดูไปที่จิตของเราจะเห็นตัวสติสติคือความระลึกได้ระลึกได้สัมจัณญะคือความรู้ตัวความรู้ตัวมันเป็นยังไงเรามาลองระลึกดูมันรู้ตัวยังไงตามหลักเทกขูดะวายนั่นรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อ่า รู้ตัวว่าควรหรือไม่ควรรู้ตัวว่าเหมาะหรือไม่เหมาะรู้ตัวว่าผิดหรือถูกถ้ารู้ตัวว่าผิดรู้ตัวว่าผิดก็แก้ไขปรับปรุงใหม่ไม่ใช่รู้ตัวรู้ตัวเฉยเฉยรู้ตัวว่าผิดก็ยังฝืนทำลงอันนี้มันไม่ใช่สัมพชัญญะที่เป็นองค์มรกรู้ตัวว่าผิดแต่ยังฝืนทำลง พื้นทำในความนึกความคิดของเรานีมันไม่ใช่สัมปชัญญะเป็นมิจฉาสัมปชัญญะเป็นมิจฉาสังกัปปะสังกัปปะคือความตึกผิดนึกผิดคิดผิดสติกับสัมปชัญญะจึงเกือกูลกับจิตของเราจิตสัจธว่าผู้รู้สัจทรรมธาตุรู้เรารู้รู้อยู่ไหมเรารู้อยู่เรามีธารู้ยืดเราก็รู้เดินเราก็รู้ แต่เวลามันชัดเจนที่สุดมันจะมีสติกับสัมผัสัญญะกํากับเข้ามาทําให้เรารู้ตัวมันจึงทําให้งานที่เรากําลังจะทําอยู่ชัดแจ้งขึ้นมาถ้าถ้าเป็นการเขียนหนังสือกับปลายปากกาจ่ออยู่กับกระดาษนั่นแหละใช้ปัญญาตวัดเข้าไปตวัดเป็นตัวนู้นเป็นตัวนู้นเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ประกอบเป็นนู้นประกอบเป็นนี้เข้าไปกิริยาภายในจิตของเราก็เช่นเดียวกัน เรให้เขาสงบมีสิ่งเหล่านี้กํากับเข้าไปสงบจิตมันตั้งมั่นไม่ใช่สงบหายเงียบไม่ใช่สงบแบบลงผวางังหลวงลงผวางังหลวงลงสักกี่ร้อยครั้งก็เหมือนเราเกิดมาจนปัจนนี้เราหลับไม่รู้กี่ครั้งเลตื่นขึ้นมาได้กําลังได้กําลังกายได้เรียวแรงร่างกายท่านี้แต่ถ้าคิดเราสงบมันได้กําลังใจจิตใจเรามีเรืยียลมีแรง มีกำลังมีกำลังสติดีขึ้นเพิ่มขึ้นกำลังสัมปชัญญะดีขึ้นเพิ่มขึ้นความอดความทนก็บึกบืนเพื่อให้งานนี้ก้าวหน้าขันติคือความอดความทนความติคันติเป็นตปะขันติเป็นตบะนะคันติเนี่ยติตโปตปัตชินโนคันติหิตะสุขาวะนำมาซึ่งความถุกขันติทีรัสธีรัสะลังการโอ ขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชขันติแบบหนักหามหนักขันติทนต่อหนาวทนทนต่อร้อนขันติทนต่อเจ็บใขรได้ป่วยขันติทนต่อทุกขเวทนานี่เป็นขันติคือความอดความทนขันติยืดงานการที่เราประคับประคองอยู่ให้ยาวไปข้างหน้านี่เป็นขันติพื้นธรรมดา แต่ขันติที่เราต้องอดต้องทนอย่างยิ่งยวดคือต้องทนต่อความเจ็บใจ้าเรียกว่าอธิวาสนาขันติขันติที่ต้องอดทนต่อความเจ็บใจความเจ็บใจมันเป็นยังไงบางคนทนไม่ได้ถึงกับได้ฆ่าได้แกล่งกันก็มีนะเพราะมันเจ็บใจทนต่อความเจ็บใจเราทนยังไงดูไปที่กิริยาที่มันเกิดขึ้นดูไปที่กิริยาของกายที่มันเกิดขึ้น เขียนมากๆมันกิริยากายมันดีดมันดิ้นไปตามนะดูไปที่กิริยากายและดูไปที่กิริยาจิตใช้สติใช้สัมมาจัณฑ์ยังกำลัดจดจ่อดูเข้าไปแต่ต้องทันนะต้องฝึกนะต้องทันนะถ้าไม่ฝึกไม่ทันบางคนเนี่ยหลวมตัวกับมันไปแล้วอปล่อยมือปล่อยตีนปล่อยปากไปแล้วถึงมาคิดได้ตามหลังแน่ไม่ทันมันไม่ทันมันคิดคิดด่า คิดาบแช่งบางทีก็มีปากมีเสียงไปแล้วบางทีก็มีไม้มีมือตอกล่ อ, ลอกันไปแล้วนี่คือความอดความทนไม่ทันต้องฝึกถ้าไม่ฝึกก็มไม่ทันแต่ถ้าเราฝึกมันจะทันความอดความทนนี้จึงเป็นตะปะอย่างยิ่งเป็นพื้นถ้าเราจะเที่ยวกับมันพื้นสลารนี่นะทำให้เราเดินเหยียบย่างไปตรงไหนแะ้แน่นหนามันคงพอ จะทำงานทําการอะไรก็สะดวกสบายพอถ้าเราจะเที่ยวกับพื้นขี้ตม้มขี้โคลนเราจะเหยียบทํางานหนักก็ไม่ได้ปุปะปุปะปุปะเหยียบเหยียบข้างหนึ่งก็จมไปข้างหนึ่งเหยียบข้างหนึ่งก็จมไปอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันทํางานไม่สะดวกในเมื่อเรามีความอดความทนแ น, น่นหนามันคงพอต้องการให้เขาสงบเขาก็พร้อมที่จะสงบเพราะมันมีแรงผลักดันจากสิ่งเหล่านี้คอยมาคอยช่วยเหลือ ต้องการให้เกิดปัญญาก็ต้องอดต้องทนพิจารณาต้องอดต้องทนนั่งต้องอดต้องทนยืนต้องอดต้องทนเดินต้องอดต้องทนบริกรรมต้องอดต้องทนตั้งรูปหรือตั้งนามมาเป็นเครื่องกำหนดจดจ่อพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยใช้ความอดความทนเท่านั้นแหละแต่มันก็มารวมอยู่ที่จิตตรงเดียวนั่นแหละเวลาเรามาแยกแยะดูมันใช่ทั้งหมดแหละ งานการเหล่านี้กับคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงเรามองเรื่องคุณธรรมเราพยายามมองที่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากจิตทุกอย่างไปจากจิตกิเลสก็ไปจากจิตธรรมะก็ไปจากจิตสติก็ไปจากจิตสัมมชนญะก็ไปจากจิตเกิดที่จิตทั้งนั้นริโอตปะขันติโสระจะเกิดจากจิตทั้งนั้นความขี้เกียจขี้คร้านก็เกิดจากจิต ความโลภก็เกิดจากจิตความโกรธก็เกิดจากจิตราคะตัณหาเกิดจากจิตเราพยามดูมาที่จุดใหญ่จุดสําคัญเราจะเข้าใจธร ร, จจธรมะได้เร็วขึ้นเราจะเข้าใจธรรมะได้เร็วขึ้นเราจะเกิดความรู้สึกชอบโดยธรรมเกิดความรู้สึกโดยธรรมเราจิ้มมาที่นี่เราดูมาที่นี่เราส่งมาที่นี่เหมือนกับเรามาดูรวงดูรัง uh, ของ กำลังกองทัพข้าศึกมัอยู่ที่นี่กําลังกองทัพของศัตรูมอยู่ที่นี่ขุมพลังกองพลทหารของเราก็ก็อยู่ที่นี่จุดเจ้ามาดูในขณะที่เรากําลังจดุจดจด่จดจดอจุดเจ้ามาดูกําลังของกองทัพของเราก็อยู่นี่พร้อมที่จะมาใช้งานได้นมันอยู่ในฉากเดียวกันตราบใดที่ธรรมะเกิดกิเลสมันก็ยุบย่อหายไป ตราบใดที่กิเลสเกิดธรรมะมันก็ยุยบย่อไปมันแย่งกันมาอยู่ในในใจดวงนี้แหละเหมือนน้องตาท่านเทศนะท่านว่าจิตเราก็เหมือนกับเก้าอี้หนึ่งตัวจิตเราก็เหมือนกับเก้าอี้หนึ่งตัวแต่ว่าผู้ที่จะนั่งมันมีสองคนทำไงถ้านั่งพร้อมกันก็ได้คนละข้างคนละซี่แต่ถ้านั่งทีละคนก็ได้ทีละคน ถ้าเราคิดเรื่องดีก็ได้เรื่องดีอย่างเดียวพอเรื่องดีต ก, ตกไปคิดเรื่องชั่วก็ได้เรื่องชั่วย่างเดียวนี่หมายว่าหมายว่าถ้าจะนั่งกันคนละครั้งแต่โดยปกติความดีกับความชั่วมันก็อยู่ในจิตของเราอยู่แล้วเวลาเราไม่คิดเรื่องดีเราไม่คิดเรื่องชั่วเขานั่งอยู่ด้วยกันอยู่แล้วต้องมองอยู่แล้วแหละคนละครั่งจิต ม, มีทั้งดีมีทั้งชั่ว สร้างทั้งดีสร้างทั้งชั่วทำทั้งกรรมดีทำทั้งกรรมชั่วจิตดวงนี้จริงส่งไว้ทั้งดีและทั้งชั่วตราบดใดที่เรายัางเป็นไปในโลกกิริยธรรมเป็นไปในกระแสของโลกมันก็จะมีะสิ่งนี้แหละนั่งอยู่คนละข้างดีก็นั่งอยู่ชั่วก็นั่งอยู่แต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติให้ธรรมะเกิดขึ้นอย่างน้อยได้กระแสธรรมนี้แต่เป็นประสบดาบั ธรรมะจะนั่งอยู่มากกว่ามากกว่ากิเลสนั่งอยู่แต่ตัวกิเลสตัวที่มันละเอียดมันก็อยู่ในนั้นแหละตราบใดที่เรานึกคิดเรื่องธรรมมีสติมีสัมผัญยักกำกับอยู่จิตสงบพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่พิจารณาคลี่คลายบรรเทาความโลภความโกรธความหลงบรรเทาราคะปัญหาภายในใจเราอยู่กิเลสมันก็แอบตามมาข้างหลังนั่นนั่นแหละ เผลอปั๊บมันก็นสวมรอยปุ๊บเผลอปั๊บมันก็นสวมรอยปุ๊บมันเป็นธรรมะคู่แข่งขันกันหลวงตาท่านจึงแต่งหนังสือธรรมะคู่แข่งขันใครก็เห็นบ้างหนังสือธรรมะคู่แข่งขันในขณะที่คนหนึ่งทํางานอยู่ไอ้คนหนึ่งก็ตามหลังมาในขณะที่ทำทำทำทำงานอยู่กิเลสก็ตามหลังมาตัวใหเผลอไม่ได้เผลอสวมรอยปุ๊บเผลอสวมรอยปุ๊บ เราดูมันมาสวมรอยเวลาเ n o เราต้องการให้จิตสงบพุทโทธพุทโทธพุทโธพยายามสังเกตให้ทันจับให้ท่านมันเข้ามาสวมรอยเราจับได้หนึ่งครั้งหนึ่งเราก็มีกําลังจับได้สองครั้งจับได้สามครั้งจับได้เรื่อยๆจับได้หนึ่งเดือนจับได้บ่อยๆมันไม่กล้าสวมรอยมาม า, มาแซงเราแล้วลตอนนี้จิตใจของเราเป็นเชื่องจิตยางเราก็สบายจิตใจของเราความที่จะเป็นตัวของตัวจิตสงบนี่จะเป็นจิตที่เป็นตัวของตัว นี่คือยู่ข้างในดูให้ออกดูให้เข้าใจพิจารณาแก้ไขกันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนี่แหละคือตัวอุปสรรคทําให้เราสักนั่งสักตัวนั่งไม่ได้อะไรวันนี้กันแล้วปุ่มนี้ก็แล้วนั่งสับประงกันอยู่นั้นแหละดูเวลามันสับประงกจิตมันเป็นยังไงพื้นเพมันเป็นยังไงเวลามันอยู่ร่วมันแน่ยวพื้นเพลของจิตมันเป็นยังไงพยายามจับผลอันนี้เอาไว้เวลาเรา เวลาเราตั้งใจทำดึงอารมณ์นี้มาใส่ปุ๊บจิตมันก็อยู่ดึงนั้นใส่ปุ๊บจิตมันก็อยู่สะดวกสบายออพอจะก็ยิ้มยิ้มย่องพร้อมพอจะลืมตาอาบปากพอจะได้รับโอชะของธรรมเข้าไปสูุใจความสบสงบก็พอจะได้เออสติปัญญาพิจารณาแง่นั้นพิจารณาแง่นี้มันก็พอจะค่อยๆอ อ, อ, ออกมันก็จะค่อยๆอ อ, อ, อ, ออกไปเลยค่อยๆออกไปเลย อพยายามปกป้องอ่ายุงตัวนี้ให้มันดียหยมันมาแทรกเพื่อจิตของเราไน้รับความสงบทำที่ไรก็ได้รับผลทาทีไรก็ได้รับผลผลเหล่านี้จะกลายเป็นกุศลวิบากาติดตามเราเป็นฉลิตเป็นนิสยัยเป็นสันดานทำให้เราเนี่ย แนบแน่แนมั่นคงอยู่กับศีลอยู่กับธรรมอ่ออาทั้งอูทั้งใจกันเอเคนี้แหละวันนี้